ก็เป็นเรื่องของคนทุกคนทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังหลวงพ่อเทียนก็เช่นเดียวกันนะท่านก็สอนวิธีการแก้ปัญหาชีวิตโดยการให้เราปฏิบัติด้วยตัวเราเองท่านชี้ถึงความทุกข์แล้วก็เหตุของความทุกข์ก็่คือตัวปัญหา และท่านบอกถึงวิธีการออกจากความทุกข์ให้ด้วยเ <c oughs> นี่ยตัวนี้สำคัญนะถ้าชี้ทุกข์แล้วไม่หาทางออกให้เนี่ยมันก็ไปไม่ถูกก็ติดอยู่แค่ความทุกข์แต่ชี้ถึงเรื่องความทุกข์แล้วชี้ทางออกด้วย <c oughs> มันก็สามารถอยู่เป็นทุกข์แบบออกจากความทุกข์ได้ในไม่นาน มีหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงพเทียนเขียนว่ามาทางนี้มาทางนี้คือทางนั้นมีประตูเปิดมาทางนี้ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็เนี่ยมาที่นี่มาที่นี่เป็นแหล่งดับทุกข์วัด ส, สนามในผู้เจ้าเอง น, นก็สอนแบบนั้นตนสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์นั้นอนะ่ะ เรื่อง่นเป็นเรื่องที่เอามาเสริมเพราะมีประโยชน์แต่ตัวหลักสางัญที่ท่านตัดสรู้เนี่ก็เรื่องความทุกข์ <c oughs> กับการดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ไหนใครไม่มีความทุกข์มั้งเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องของตัวทุกคนมีคนกล้าโกหกยกมือไหมก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องมาสนใจฟังธรรมะ วิธีการที่หลวงพ่อเทียนชี้ทางออกให้นะท่านคือให้มาทาความรู้สึกตัวด้วยตัวของเราเองทาด้วยตัวเองนะรู้สึกตัวเนี่ยทีจริงเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วมันเป็นวิธีการสอนที่ทันสมัยมากเป็นวิธีที่ทันสมัยจนทั้งปัจจุบัน หลวงพ่อเตียนนัากาสอนเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นผลของการบรรลุธรรมตัวนี้ตัวเดียวนะเป็นผลการบรรลุธรรมใครปฏิบัติเขาถึงความรู้สึกตัวได้เนี่ยเท่ากับจิตเนี่ยมันพ้นไปจากภาวะของความทุกข์ทั้งหลายแล้วแค่รู้สึกตัวเพียงอย่างเดียว เราไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรเพื่อใ้ถึงอะไรอีกแล้วมันจบลงที่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะกลายเป็นแก่นแท้ของจิตเป็นแก่นแท้ของชีวิตทุกชีวิตถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันเป็นชีวิตไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้ตัวว่าเรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าที่เรารู้ตัวว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกตัว ในความรู้กตัวเนี่ยมันเป็นทั้งมรรคเป็นทั้งผลอยู่ในตัวเสร็จเราต้องเข้าไปถึงตัวนี้ต้องเข้าไปถึงถ้าเข้าไปถึงความรู้ตัวเมื่อไหร่แล้วก็เราจะเข้าใจธรรมะเข้าใจตัวเราเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีคำถามมีแต่คำตอบ <c oughs> อันนี้เป็นบางกลวย ทางเน้นุ่มมีบางพลัดอีกอันหนึ่งก็บางอ้อเราก็มาถึงบางกลวยแล้วก็ไปถึงบางอ้อเลยไม่ต้องพลัดหลงไปทางไหนเนี่ยเป็นวิธีการสอนที่ทันสมัยจนถึปัจจุบันนี้การทําวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวิธีทําที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวทางนั้นแหละ ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนี่กรรมฐานมันไม่เกิดจะเป็นสมถะกรรมฐานุวิปัสสนากรรมฐานมันก็ต้องมีความรู้สึกตัวเป็นการนําร่องก่อนใช่ไหม <laughs> มันต้องเริ่มจากการทําความรู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยๆในเบื้องต้นก็รู้สึกตัวในถ้ำกลางก็รู้สึกตัวจนกระทั่งรู้จักตัว <laughs> รู้จากตัวว่ามันไม่มีตัวก็มันจบลงที่ความไม่มีตัวก็ทาลายความเป็นตัวตนเราไปได้ mm hmm. ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความรู้สึกตัวในถ้ำกลางก็รู้แจ้งว่ามันไม่มีตัวสุดท้ายจิตที่หลุดพ้นมันก็ต้องมีความรู้สึกตัวตรงนั้นแหละเรื่องเดียวพับใส่กระเป๋ากลับบ้านได้เรื่องเดียว ทำตรงนี้ให้ได้ก็แล้วกันเป็นการทำลายความหลงทำลายความทุกข์ทำลายตัวตนไปได้ด้วยความรู้สึกตัวนี่อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องมันเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกผมจะแบ่งเป็นสองแนวนะการปฏิบัติพิปัสนานี่มีแนวรู้กับแนวหลงแนวรู้ต้องเริ่มจากรู้สึกตัวถ้าแนวหลงเนี่ย มาเริ่มจากทำท่าว่าจะรู้สึกแต่ไม่รู้สึกอ่โมแต่คิดว่าเออเราทำไปเนี่ยมันเริ่มต้นปับ๊บกลัวเพ่งกลัวผิดกลัวหลงกลัวจะไม่ได้มันเริ่มด้วยความหลงกลัวทางนั้นเราก็ไม่รู้ตัวเพราะนั้นไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่หนทางของการพ้นทุกข์มันจะคิดเรื่องความกลัวต่างๆกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ดีกลัวจะไม่มีสติ เอาวางไว้ก่อนทำความรู้สึกเราต้องรู้ลงไปเลยรู้สึกลาไปเลยเริ่มตรงนั้นก่อนนำเร่องในรู้สึกราไปเลยเราจะได้ไม่มัวติดอยู่กับความหลงแล้วไม่รู้ว่าเรากำลังหลงคิดไปละเนี่ยมันเป็นแนวหลงนะเราตอนนี้เราใช้แนวไหนไปฏิบัติกันแนวเริ่มด้ยหลงหรือแนวเริ่มด้ยรู้ มันไม่ผิดหรอกถ้าหลงแล้วเปลี่ยนไปรู้มันก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่เสียหายอะไรหลงไปบ้างจะเป็นอะไรไปเราจะรู้ได้ไงว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไร <c oughs> มันดีทา้งนั้นถ้ารู้จักพลิกจิต ก, กลับออกมาออกจากความหลงมาเป็นความรู้สึกหลวงพ่อเขียนว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ <c oughs> สำคัญคือเร า, ต, ร ต, เาต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนนากบวชต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อน ต้องรู้ตัวให้เป็นมันจึงเป็นการเริ่มต้นที่ถึงที่สุดได้รู้สึกตัวให้เป็นรู้อย่างไรก็รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แบบไม่ต้องคิดนะวิปัสสนานี่ไม่ใช่ความคิดนะถ้ารู้แบบไม่คิดนี่เป็นวิปัสสนา ถ้ารู้ไปคิดไปพิจารณาไปมันเป็นวิปัสสนึกไม่ได้นาแล้วมันนึกเรื่องนึกมันก็ไม่ใช่่ก็เริ่มหลงก่อนไม่มีการพิจารณาแล้วรู้สึกลงไปลว้ลวนๆเลยรู้สึกตัวไปลว้ลวนๆเลยแบบมันต้องใช้ความคิดมันต้องไปใช่เปล่าตอนนี้พาอคิดเมื่อไหร่แล้วก็มันไม่มีความรู้สึกตัวหรอกมีแต่รู้สึกว่าเราคิดคิดอยู่นั่นแหละ รู้แบบไม่คิดเป็นวิปั ส, สนาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ที่เราต้องเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้รู้สึกตัวตรงนี้ให้ได้ เ, เราต้องรู้จักแบ่งแยกกันระหว่างไอ้ความรู้สึกตัวกับความหลง ล, งลืมตัวเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแยกได้ไหม <c oughs> เราต้องแยกตรงนี้ให้ได้นะเนี่ยวรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้โอ้เมื่อกี้เนี่ยมันหลงหลงหลงไปแล้ว อันนี้มันรู้สึกตัวเมื่อกี้มันหลงลืมตัวเห็นความแตกต่างกันระหว่างความรู้สึกตัวความหลงลืมตัวถ้าก็เห็นตรงนี้ได้มาแล้วก็การปฏิบัติจะพัฒนาเลยอย่าแยกด้วยความคิดแยกด้วยการปฏิบัติหน้าปัจจุบันนั้นเลยโอตอนนี้รู้สึกตัวอ๋อมื่อกี้มันหลงเนี่ยเห็นไหมเราเริ่มพอจิตรู้ว่าตรงนี้รู้สึกปั๊บเนี่ยต่อไปมันจะรู้งนี้บ่อยๆมันจะหลงที่ลายมันกลับมารู้ได้ทุกที ยต้องแยกกันให้ได้เห็นความแตกต่าง ก, กันให้ได้ยากไหมเนี่ยมันไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะเฉลยว่ามันยากเพราะอะไรทําไมมันจึงยากและมันง่ายเพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ลองพิสูจน์ดูอะไรที่มันยากอะไรที่มันง่ายคร๊บเดี๋ยวเราอาจจะเข้าใจธรรมะขึ้นไปเยอะเลยไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วเข้าใจนะ คือทุกคนมีมีจิตวิญญาณที่จะเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นเส้นผมที่บงังภูเขาแล้วนะั้น <Okay. S 1> แตอย่างไรก็ตามเนี่ยในวิปัสสนาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นในการคําสติปัฏฐานสี่จะให้ได้สติปัฏฐานสี่ก็คือความรู้สึกตัวลงไปที่กายเวทนาจิตธรรมต้องรู้จักตรงนี้ให้ได้มันต้องเริ่มต้นในการ เนี่ยรู้กายเนี่ยหลวงพ่อเทียนนั้นให้รู้กายให้เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกทำเน้นมากให้สร้างจังหวะสิบสี่จังหวะแล้วก็เดินจงกรมให้มีสติมารู้กายตรงนี้ยมันจะมีความรู้สึกได้ง่ายเพราะกายในมันมันซื่อมันซื่อมันไม่รู้อะไรหรอกมันไม่มีความคิดเลยหรอกให้จิตมารู้ลงไปที่กายรู้ลงไปอย่าไปเพ่งลงไปแต่รู้ลงไปเพ่ง กับรู้นี่มันต่างกันถ้าเป่งเป็นโฟกัสเป็นสมาธิกดจิตถ้ารู้เนี่ยมันออกมาต่างหากปราชนาต้องมีรู้นะถ้าไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่ปรัสนาเอากายมาเป็นฐานสติปฐานสี่เนี่ยกายานุปรัสนาสติปทานเอากายมาเป็นฐานให้สติเข้าไปตั้งรู้อยู่บนฐานให้มันไปตั้งรู้อยู่บนฐาน อย่างเช่นเรานั่งบนอาสนะเนี่ยเรียกอาสนะเนาะเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นมุตต้าอาสนะหรือปหรือไปอยู่อันเดียวอาสนะเราตั้งอยู่ข้างบนสติหรือจิตต้องไปตั้งอยู่ข้างบนฐานกายที่มันอยู่ฐานล่างต้องตั้งรู้แบบนี้มันจะได้เป็นโคละอันกันถ้าเข้าไปแทรกไปอันเดียวกันเนี่ยมันจะรู้อะไรไม่ได้หรอกมันจะหลงอยู่ในฐานหมดตั้งรู้อยู่บนฐานกายานุ ป, ปัสนาสิปฐาน เอาฐานนี้ฐานเดียวก่อนกายยาก็ต้องกายยาไม่ต้องไปสนใจเรื่องจิตไม่สนใจเรื่องความคิดอย่าไปยุ่งเรื่องความคิดไม่ห้ามความคิดแต่อย่าไปยุ่งกับความคิดเอาเนี่ยมารู้สึกตัวตรางเงี้ยเอาฐานกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันอย่างเงี้ยให้มันมั่นคงให้มันชัดเจนให้มันํำนานเวลามันหลงลืมไปก็กลับมาตั้งได้หลงไปก็ตั้งได้ตั้งใหม่ได้ ไม่มีการกลับมาปัจจุบันมันหายไปหมดแล้วกลับไม่ได้ <c oughs> มันไม่ได้กลับแต่เป็นการตั้งรู้ใหม่ตั้งรู้ใหม่หลงไปแล้วก็ตั้งรู้ใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่นะเนี่ยให้มันชัดเจนกับฐานกายไม่งั้นเราจะไม่มีหลักไม่มีหลักธรรมะเบื้องสูงจะไม่เกิดขึ้นถ้าฐานเบื้องล่างไม่ดีนะถ้าใครต้องการจะ รู้เห็นธรรมะในธรรมะเบื้องสูงก็อย่าลืมฐานอันนี้ไม่ใช่เบื้องต่ำแต่เบื้องที่ อ, อาศัยเป็นฐานแล้วก็เป็นการต่อยอดไปสู่ธรรมะเบื้องสูงอารู้กายเคลื่อนไหวได้เป็นฐานนะให้มันชนนให้มันชัดเจนเวลามันหลงกลับไปก็มันมีที่ตั้งรู้ใหม่ตั้งรู้ใหม่ได้บางคนหลงแล้วหลงเลยกลับไม่ได้หาฐานไม่เจอ เราก็ตั้งฐานตั้งรู้ใหม่ตั้งไม่ผิดหลงไปมาแล้วก็ตั้งรู้ใหม่หลงไปแล้วก็ทำใหม่หลงไปก็เอาใหม่อันนี้เราจะได้จิตดวงใหม่แล้วก็ได้ชีวิตใหม่อยู่เรื่อยการที่เรามีสติรู้ต่อนเนื่องเราไปที่ฐานกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ไปเรื่อยในทุกอิรลียบทเลยนะเนี่ยนอนนั่งยืนเดินก็ให้รู้สึกยกมือสร้างจังหวะก็รู้สึกเดินจงกลมก็รู้สึก กีฬบทย่อยก็รู้สึกการรู้สึกอย่างเงี้บยบ่อยๆเนี่ยอยา่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะเป็นเรื่องสําคัญมากเลยการรู้ บ, บ่อยๆรู้ บ, บ่อยๆสติรู้ บ, บ่อยๆรู้กายบ่อยๆเนี่ยอาศัยความเพียรเนี่ยมันจะเกิดสมาธิจิตสมาธิจะมาช่วยสนับสนุนสมาธิช่วยสนับสนุนแต่มีสติคุ้มครองอยู่สมาธิจะเหนือสติไม่ได้ สติมันต้องเชิญสมาธิมาช่วยนะฮมาช่วยตั้งแล้วจิตมันจะมีน้ำหนัก <S <S นนจิตจึงมีน้ำหนักตั้งอยู่บนฐานได้ต่อนเนื่องกันนานๆ <S <S สมาธิในช่วยทําให้จิตมีน้ําหนักนะอาศัยสติเชิญมาเนี่ยถ้ามาเองโดยตั้มทําใจให้เป็นสมาธิเนี่ยมันไม่มีสติแล้วมันมันเข้าไปแทรกมุดอยู่ในฐานถ้ามีสติด้วยเดียวกับมันคลองฐานอยู่ จิตมันจะมีน้ำหนักมันไม่เลื่อนลอยนมันจะหลงยากแล้วมันจะไม่เลื่อนลอยเมื่อหลงไปมันก็น้ำหนักก็พลิกกลับมาหนักตั้งอยู่บนฐานได้มันจะไม่เลื่อนลอยนะก็จเห็นของหนักๆไหมเนี่ยคนที่ตัวใหญ่ตัวหนักก้นหนักมันก็ลุกไม่ค่อยขึ้นธรรมดานั่นแหละคือฐานเราดีอย่าไปกุ้มใจฐานเราดี พลุกขึ้นที่ก็ก้นขึ้นก่อนหน้าอยู่ข้างล่างโอ้ฐานเรามันยกก่อนไปฐานแม่งล่างก็ยืนอย่างนี้ไนดะ้ฐานเราดีมันมีน้ําหนักจิตใจไม่เลือ่อนลอยไปกับความคิดปรุงแต่งแล้วมันจะเกิดการตื่นรู้จิตจะตื่นรู้กลายเป็นผู้ดูเลยเมื่อมีสติมีสมาธิตั้งอยู่บนฐานกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ย จิตมีน้ำหนักเกิดการตื่นรู้เขาเรียกจิตตื่นตื่นออกมาจากความง่วงความหลงความคิดมาเป็นอิสระกลายเป็นผู้ดูวิปัสสนาจะต้องมีการรู้แล้วก็ดูและมีการดูก็ต้องมีการเห็ น, นกลายเป็นภาวะที่จิตเป็นผู้ดูขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ปลอดภัยละเพราะว่ามันมีน้ำหนัก จิตที่มีน้ำหนักเลยไม่ติดที่ก็าเรียกว่าใช้งานได้เขาเรียกกรร ม, มนิยโยใช้งานได้สามารถอยู่บนฐานที่จะสามารถดูอะไรได้อะไรเกิดขึ้นก็รู้ได้นี่คือการเรื่องของกายรู้เรื่องของกายมันจะรู้เรื่องที่ฐานก่อนรู้ที่กา ย, ยมันเหมือนกับอะไรอใครเคยขุดดินบ้างเคยขุดดินไหม <c oughs> ใช้จอบนะ จอบขุดดินเนี่ยจอดที่เบาๆเนี่ยไม่มีน้ําหนักเนลยนะขุดลงไปนี่มันเด้งมันต้องหนักหน่อยๆ้ะขุดปับ๊บมันมิดเข้าไปในพื้นดินเลยใช่ไหมแล้วดึงดินออกมาได้เอาด้ยากนะด้หญ้านี่ง่ายมีดที่มันเบาๆเนี่ยด้หญ้าไม่ดีหรอกมันไม่กินมันไม่ค่อยตัดหญ้าได้ขาดมีดต้องมีน้นําหนักหน่อยๆพ อ, อด้หญ้าปั๊บมันขาดแค่เวียงแรงเวียง น้ำหนักของมีช่วยทําให้ตัดหญ้านี่ขาดได้ง่ายหรือหรือฟันไม้ก็ได้ใช้ขวานฟันไม้ขวานเบาๆมันก็ควันไม้มันก็เด้งกระดอนถ้าขวานหนักๆนี่มันควันแล้วมันมีมันมีพลังในการส่งกินเนื้อไม้ได้เยอะจิตก็เหมือนกันนะมันจะมีน้ําหนักที่ตั้งมั่นรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ไม่หลุดลอยไปกับอารมณ์ของความคิดปรุงแต่งได้ง่ายๆ เขาต้องใจคอหนักแน่นอย่าพกนุ่นในพกหินก็ไว้พวกนุ่นมันก็ปลิวเลื่อนลอยเวลาถูกลมเป่าถ้าพกหินเนี่ยเป่าให้ปลากเป็นแผลล่อนในมันก็ไม่ไม่หลุดไม่ลอยนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมสําคัญมากการมีสติรู้กายต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันจะมีสมาธิสนันุนทาให้จิตมีน้ําหนักเนียเกิดการตื่นรู้เป็นผู้ดูขึ้นมาได้ก็ปลอดภยัย เป็นผู้ดูแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของกายแล้วการเห็นธรรมะเบื้องสูงเนี่ยไม่ยากแหละเพราะฐานเราดีแล้วมั่นคงแล้วการเห็นธรรมะเบื้องสูงเนี่ยมันจะง่ายเป็นการต่อยอดคำว่าต่อยอดเนี่ยเบื้องสูงเนี่ยไม่ใช่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะมันละเอียด <c oughs> ใช่เห็นยอดจะดีไหมเพราะยอดจะดีถ้ายอดใหญ่ฐานนิดเดียวเนี่ยจะดีตั้งไม่อยู่ยอดมันเล็กเลียวแล้วก็บนยอดจะดีเนี่ยเป็นพระธาตุนะ ของดีอยู่บนยอดสุดนี่แหละคือธรรมะเบื้องสูงจะเป็นอย่างนั้นของสําคัญดูยากเห็นยากถ้าเราฐานของความรู้ตัวบนกายที่เคลื่อนไหวไม่ดีนะเวลาเจอธรรมะอย่างเช่นเวทนาเนี้ยเวทนาสามเนี่ยอย่างเช่นว่าสุขเวทนาพอเกิดสุขเวทนานั่งไป รู้ตัวไปมันสงบหน่อยเกิดสุขเวทนาเป็นปีติจิตไม่มีน้ำหนักหลงมาใ น, นปีติโอเรามีความสุขเนาะเกิดปีติขึ้นมาไปอยู่ในปีตินะ เ, เคยไหมเคยเค ย, เคยเจอปีติมะมปีติก็ไม่เจอเลยเหรอเวลาเวลาคุยแล้วใครไม่ยิ้มไม่พูดด้วยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองกันนะปีติแล้วมีความสุขหมนะสุขเวทนาย่อมมีได้ กับบุคคลที่ปฏิบัติธรรมเลยทุกคนย่อมเจอแต่มันก็คือทางผ่านถ้าจิตที่มีฐานไม่มั่นคงนี่มันก็ไหลอยู่ในสุขเวทนาติดอยู่แค่นั้นอ่ะจบละบรรลุ ธ, ธรรมที่ผ่านอยู่แค่นี้เองไปไม่รอดธรรมะเบื้องต้นก็ยังไม่ผ่านเนี่ยเจอเวทนาจะไม่หลงในปิติเพราะจิตมันมั่นคงแล้วจะเจอทุกขเวทนานะนั่งไปก็เมื่อย เ, ออเมื่อยมันก็ไหล อ, อยู่ในความเมื่อยอะไรปวดเราเมื่อย ตอนนั่งให้นานโอ้ยต้องหลายนาทีดูแล้วดกเวลามันไม่คยเลื่อเวลา เ, ลนะเวลารอเวลาเนี่ยนาฬิกา ม, มันเสียหรือเปล่านะทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยต่างมันก็บีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกขพาอฐานตั้งมั่นอยู่ที่กายเคลื่อนไหวมันไม่ดีไม่มีน้าหนักก็ไหลไปสู่กับทุกขเวทนาเต่เก๋กนะ็เก็บเสีอกลับบ้านไม่ไหวแล้ว ทำไปก็อย่า ง, ง น, นั้นแหละมัได้อนะไรหลงในทุกเวทนานะฐานไม่ดีพอฐานดีปับ๊บโอเวทนาสักว่าเวทนากลายเป็นผู้ดูไปเลยฐานดีมันตั้งนั่นเป็นผู้ดูโอ้นี่คือเวทนานี่เวทนามันก็เป็นสักว่าเวทนาอันนี้จังตุกขังตาตาเหมือนกันโอ้มันเกิดปัญญาเป็นผู้ดูซะโดยที่มันต้องเป็ น, ปนในเวทนานั้นถ้ามันเจออุเบกขาเวทนานะ จิตสบายว่างเบาถฐานไม่ดีก็หลงอยู่ในความสงบอีกแล้วติดอยู่ในความสงบโอ้สงบดีเนี่ยสงบสบายใจฐานไม่ดีก็ติดอยู่ในความสงบแต่ฐานดีโอ้สงบนี้ก็รู้ก็เห็นเห็นความสงบไม่ได้เข้าไปเป็นผู้สงบนั่นคือสงบจริงถ้าสงบไม่จริงเอาตัวตนเข้าไปแทรกเนี่ยมันไม่สงบแหละเพราะความสงบมันเที่ยงไหม ในเที่ยงว่ะเนี่ยมันก็บ่ายโมงกว่าแล้ ว, วมันอยู่ไม่ได้มันไม่เที่ยงเพราะนั้นเป็นผู้เห็นผู้ดูเนี่ยมันปลอดภัยมันจะเห็นความไม่เที่ยงของความสงบเนี่ยเห็นวิปัสสนาเริ่มเกิดนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่แน่นอนของความสงบเนี่ยเวทนาเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นมาเลยมั้ยฐานดีนะ ผ่านเวทนาไปได้เตรียมตัวไว้เวลาป่วยไข้จะได้มีฐานให้ดีๆไม่หลงในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับทางกายแล้วเรื่องของจิตยิ่งยากเกลเลยอันเนี่มันเริ่มสูงแล้วมันยากนะคือสิ่งที่มันละเอียดเนี่ยมันต้องเข้าหายากนะมันดูยากแต่ถ้าตั้งอยู่บรฐานผู้ดูที่มั่นคงที่มีน้ำหนักแล้วก็มันไม่ยากละมันดูเพื่อจะผ่าน ดูเป็นผู้ดูแบบไม่ได้เข้าไปเป็นจิตเนี่ยสำคัญมากฐานเนี่ยสำคัญมากเนี่ยถ้าเราฐานกายไม่ดีเนี่ยเจอถ้าจิตต้องหลงหมดเลยสมัยจะหลงเพราอเริ่มต้นรู้จิตอย่างก็จะเริ่มหลงแหละถ้าจิตมันยังไม่พร้อมสติยังไม่เกิดจิตมันยังไม่ตั้งมั่นเพราะจิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นนักคิดมันเป็นนักคิดเป็นนักก่อสร้าง เป็นวิศวะกรชีวิตมันนังคิดมันก่อสร้างมันสร้างหลายอย่างมันมีตัวสัญญาผสมสร้างเรื่องความจำต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวจำอะไรมาก็คิดปรุงแต่งเป็นแบบเป็นแผนเราหลงง่ายๆถ้ามีฐานดีแล้วก็เราจะไม่หลงอโอ้เนี่มันคิดเห็นความคิดถ้าฐานไม่ดีก็หลงในความคิดสนุกในความคิดเลย ยิ่งตอนปฏิบัตินะตอนเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะเนี่ยนะโอ้มันคิดคิดมันเจิดละเอียดมากเลยมันทีคิดเผลอเดินออกนอกกรรมฐานไปเลยนะออกนอกลานจงกรมออกที่นั่งปฏิบัติไปทําอะไรก็ไม่รู้เพราะไปตามความคิดฐานของจิตไม่ดีเราฐานดีรู้ทันความคิดก็คือความคิดแล้วมันก็ผ่านนะไม่ต้องไปหาดูละความคิดมันมาให้เราดูเองเพราะมันอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มันคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้ว เพียงแค่เราตั้งฐานที่รับรู้รับทราบเอาไว้เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนไม่หลงเข้าไปแล้วยิ่งฐานธรรมานุวัสสนาสิบฐานยิ่งยากเลยนะพอไปดูัดไปในจิตมันเป็นกุศลมันมีพิติมันมีกุศลเกิดกุศลก็โอ้อสติไม่มีฐานไม่ดีหลงไปในกุศลเลยโอ้เราเราเป็นบุญของเราเนาะได้เป็นปฏิบัติท่านนี่เป็นบุญคิดทําไปบางทีกรรมาฐานแตกไปเลยนะ ไปชวนพ่อชวนแม่คนนี่มาปฏิบัติดว่าอดีมีประโยชน์เน่ยลืมตัวหลงอยู่ในฐานของกุศลธรรมานุปัฒนสิผทานเจอกุศลแล้วชอบพอบาปอากุศลเกิดขึนในจิตเนี่ยกิเลสต่างๆเกิดขึ้นในจิต เ, เราไม่ชอบเลยนะยินดียินร้ายเจอสิ่งที่ชอบใจที่เป็นกุศลก็ชอบใจเป็นบุญโอ้เจอสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจโอนี่เป็นบาปแล้วไม่ชอบไม่ชอบ ฉันจิตไม่ได้ตั้งมัน่นไม่เป็นสายกลางเลยเวียงซ้ายเวียงขวาเคยไหมเวลาเราปฏิบัติเราเคยเจออกุศลมากๆไหมเราการบางคนที่มันทํามันคิดมากมักิเลสเยอะเหลือเกินเคยไหมนั้นเราก็เศร้ามองตามมันไหมตามมันก็ถานเราไม่ดีบอกว่านี่คืออกุศลเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วมันก็ดับย่อมมีกิเลสขึ้นในจิตได้เพราะจิตมันเคยเสพเคยให้ใหใหอาหารมา เราเคยชอบให้าอาหารและทําตามมันการทําตามกิเลสคือการให้อาหารกิเลสและไปว่ามันเป็นพยาโมงพยาบาลไม่ใช่หรอกกิเลสก็คือกิเลสทาหน้าที่กิเลสอะ่ะกิเลสต้องทําให้คนเศร้าหมองถูกไหมถ้ากิเลสไม่ทําให้คนเศร้าหมองจะเลิกกิเลสได้อย่างไร <c oughs> มันก็ทําหน้าที่กิเลสแล้วเราอะ่ะทําหน้าที่ทําความรู้ตัวซะ อย่าไปยุงอย่าไปห้ามกิเลสแม่ทำหน้าที่มันผิดงานของเรามันก็ต้องทำหน้าที่มันเกิดมาเป็นกิเลสแล้นะมันไม่ได้เป็นรามเป็นกิเลสทำให้คนเศ้ามองหน้าที่มันอย่าไปกังวลนะถ้าจิตเราเกิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยโอ้ธรรมดาเป็นเรื่องของมันมันจะได้เรียกสำลอกสิ่งที่ไม่ดีออกซะืานคนที่ท้องเสียให้มันระบายออกซะมันจะได้สบายท้อง ออ ก, กิเลสมาเออดีแล้วลมันจะได้หมดเนื้อหมดตัวสักทีเพราะกิเลสมันออกมาแล้วมันก็จะหมดเราต้องไม่ตามนะถ้าจิตหลงตามมันไปโดยที่ไล้น้ำหนักแล้วก็มันก็เข้าไปเป็นกิเลสก็ให้อาหารกิเลส ต, ต่อไปมันก็มากินอาหารเราบ่อยๆธรรมะทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อฐานของสติดีของจิตนี่ดีเนี่ยบางทีมันเห็นความเกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นสิ่งที่ละเอียดมากเป็นธรรมะชั้นสูงเห็นนิพพานอะไรเงี้ยมันก็เห็นได้นิพพานมีไว้ให้เราเห็นไม่ใช่ไปสร้างอะไรขึ้นมามันปรากฏขึ้นมาเพื่อเราเห็นเท่านั้นเองนิพพานเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องไปให้ถึงแต่มันคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมามันถึงแล้วอยู่ในเนื้อในตัวหลวงพ่อเทียมบอกว่านิพพานมีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่เพราะว่านี่มัน มันแสดงตนไม่ได้เพราะความคิดปรุงแต่งอะไรมากมายเพราะเราไม่ได้รู้เฉยๆไม่ได้รู้แบบไม่คิดความคิดเลยรบกวนบ่อยๆถ้ารู้แบบไม่คิดเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มเบาไปตั้งแต่ทีแรกมันก็เห็นได้ทุกอย่างกระทั่งการเกิดดับเห็นรูปเห็นนามแค่ฐานกายดีๆนะเราก็จะมาเห็นธรรมะเบื้องสูงเป็นการต่อยอดเป็นเวทนาจิตธรรมมันก็ครบ ถ้าฐานไม่ดีเนี่ยโอ้พอแค่ถึงเวทนาแล้วก็ไปไม่รอดแหละฐานกายไม่ดีฐานจิตมันก็จะไม่ดีเหมือนกันเนี่ยเมื่อเราบูกบ้านสร้างเรือน เ, นะเนี้ยนะเนี่ยถ้าเราไม่ทําถามไว้ดีๆนะเนี่ยเรือนอาจจะไม่อยู่นะอาจจะโค่นล้มพังคลึงลงมาก็ไนดะ้แต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ชอบต่อต่อเรือนต่อหลังคาต่อสองชั้นสาชั้นนะถ้าฐานไม่ดีเนี่ย พอชั้นที่สองมันก็พังลงมาต้องฐานดีๆไว้เวลาเจอธรรมะเบื้องสูงจะได้ไม่ล้มจะได้ไม่ไม่เออไม่ถอดใจซะก่อนต้องทาให้ถูกขั้นตอนเนี่ยในความรู้สึกตัวเนี่ยมันสามารถที่จะจับจุดรู้จิตได้ชัดเจนมากเนี่ยรู้ได้ชัดเจนเมื่อฐานของจิตดีๆจะรู้เห็นตัวมันเองชัดเจนเนี่ยผมเองก็ ก็เริ่มจากการทำฐานเนี่ยดูกายเคลื่อนไหวมาอยู่กับความคิดคิดเท่าไหร่แล้วก็มาอยู่กับมันดูกายเดียวตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์ผมก็เริ่มจากการดูใช้ฐานกายเคลื่อนไหวและสติเข้าไปตั้งรู้เนี่ยในยเมื่อปี 24, 24, สองสี่สองสองสี่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยเนี่ยมาที่วัดสนามในเนี่ยสองสี่ก็ยังมาเจอหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยคุณพ่อผมจะไปเล่าฟังเลย เจอหลวงพ่อเทียนไอ้ลมงเทียนสอนวิธีการเจรศีแบบเคลื่อนไหวเพื่อจะเอาไปไปบอกกับผมที่อยู่ที่บ้านพิการไปไหนไม่ได้เราเคยอ่านหนังสือว่าวัดสนามนายมียังไงมีอะไรหลวงพ่ออยู่วัดสนามนายแต่เรามาไม่ได้เราอยู่นูน่นอยู่นครสวรรค์มาไม่ได้พ่อก็มาให้มาที่นี่ก็มาฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนที่นี่แหะ รู้จักหลวงพ่อเทียนครเพราะคุณพ่อผมเนี่ยแหละไป็นผู้อนําหนังสือเล่มแรกของพ่อเทียนคือประจักษ์แจ้งสัจธรรมคู่กับเล่มกรรมฐานและมีคาสเซ็ตมื่อก่อนคาสเซตคาสเซตนี้ชื่อว่าความรู้สีระดับรู้จํารู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้วลงชื่อว่าหลวงตาธรรมดาไม่รู้ว่ากลุ่มปฏิบัติธรรมสร้างหรือเปล่าไม่รู้นะ เรืองพาสด า, ามนายทำกูไม่ทราบนะมาหลวงตาธรรมดาเออน่าสนใจนะหลวงตาธรรมดานชื่อเทพว่าความรู้สีระดับเคยยินไหมรู้จำรู้จักรู้แ จ, จ้งรู้จริงอ๋อเปิดฟังแล้วทัานกับผู้ภาษาไทายไม่ค่อยชัดเราก็ชอบชอบชอบสำเนียงชอบดีลาชอบความซื่อซือออฟังหลายครั้งมันเกิดความประทับใจ ในหลวงม่เตียนที่ว่าไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ไหนพูดเรื่องความรู้สึกตัวเขาพูดแต่เรื่องสติตอนนี้ใช้ความรู้สึกตัวออสติมันภาษาภาษาแขกเนาะความรู้สึกตัวนี่มันภาษาไทยของเราเนี่ยอแล้วก็การเห็นความคิดเ อ, อเราไม่เคยมีใครพูดเรื่องความรู้สึกตัวและการเห็นความคิดได้แต่ ว, ว่ารู้จิตเห็นจิตเนี่ยตอนนั้น เห็นความคิดเออเห็นความคิดเป็นยังไงแล้วท่านก็บอกเป็นประโยคว่าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดเวลามันคิดขึ้นมาเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วก็เข้าอยู่ในความคิดเลยมันก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเป็นกิเลสสุดท้ายก็เป็นทุกข์โอมันเรื่องของเราเรื่องของผมโดยตรงเลย โอนี่เราเป็นอย่างนี้จริงๆไงเนี่ยนี่เราเป็นอย่างเนี้ยเพราะเราเป็นทุกข์เพราะความคิดมาเยอะนอนไม่หลับเพราะความคิดเครียดเพราะความคิดยิ้มไม่ได้เพราะความคิดโอเไม่เรื่องเราทางนั้นเลยเพราะเราไม่เห็นความคิดนี่เราก็คิดอยู่ทําไมเราไม่เห็นเออความคิดไม่มีตัวไม่มีตัวมันจะเห็นความคิดได้อย่างไรแล้วเราก็ชอบประโยคนี้ว่าถ้าอยากเห็นความคิดให้มารู้สึกตัวเออเห็นไหม ชี้ปัญหาแล้วชี้ถ้าออกจากปัญหาด้วยอันนี้เป็นการแก้ปัญหาได้เนี่ยบอกคุณเป็นมะเร็งแล้วก็จบแค่นั้นอ่ะโอ้โหเราก็ตายในโลกมะเร็งพอมารู้ทางออกคุณเป็นมะเร็งแต่ไม่เป็นไรดีกว่ามันมายิงเราเนี่ยเล็งซะไม่ยิงไม่เป็นไรวิธีการแก้ปัญหาโรคมะเร็งโอ้วิธีการแก้ปัญหาทําใจดีๆอย่ากังวล นะเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพนะหาหมอให้หมอเช็กให้หมอตรวจไปตามที่หมอนัดเราไม่วิธีการบอกวิธีการแก้ไขเนี่ยคนไข้ก็สบายใจว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้มะเร็งหมายถึงความตายเลยยังไม่ตันยิงเลยตายจะตายซะก่อนมะเร็งจะมาจริงๆแล้วแต่ชี้ทางออกด้วยเนี่ยเนียมันสมบูรณ์แบบเป็นการแก้ปัญหาความทุกข์ทั้งด้านจิตใจด้านร่างกายได้ เนี่ยจะเห็นความคิดก็ให้ท re really ําความรู้สึกตัวเออเราก็อยากเห็นความคิดเนาะเราก็มาทําความรู้สึกตัวอ่านว่าอาจารย์ต้องหลวงพ่อต้องให้ยกมือสั่งจังหวะสิบสี่จังหวะว่าเรายกมือตอนยกมือไม่ได้ตอนนี้มันยกได้สมัยก่อนยกไม่ได้อยกไม่ได้ก็เคลื่อนไหวได้น้อยมากจะทํายังไงเลยอยยากกันนั้นเลยดูจิตดีกว่าอหลวงพ่อบอกว่าดูจิตได้ดูเลยก็ดูจิตเลย จะได้เห็นจิตไวๆเห็นความคิดดูจิตล้วก็ไม่รู้จักจิตนะจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้รูปร่างไงไม่รู้เนี่ยรู้แต่มันมีความคิดแต่มันไม่เห็นความคิดมันมีหางว่าความคิดมันเป็นยังไงเราไม่รู้นะแต่หลวงพ่อบอกเห็นความคิดได้เราก็มันจะเห็นยังไงเนะความคิดก็คิดนะเราก็คิดนะ นอนคิดเริ่มหัวค่าดูจิตดูความคิดเลยนะโอ้ตีสี่แล้วยังไม่เห็นความคิดเลยดูแต่หัวค่านะคิดคิดคิดแต่เรื่องการดูจิตโอ้เราถูกต้องนะคิดตามหลักหนังสือเราท้เราดูเราโอ้หนุ่มหอยทำนี้คิดถูกต้องหลายรอบหลายลามันไม่ได้เห็นคิดมันคิดเห็น่ะ มันคิดว่าเราเห็นแต่มไม่ได้เห็นคิดนะนก็เลยฟุ้งก็ใช้ไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักวิธีการไปไปถูกต้องเราข้ามขั้นตอนฐานกายเราไม่มีเลยไม่รู้จักอะไรเป็นอย่างไรสติก็ไม่รู้จักรู้ตัวเราไม่รู้จักจิตเราไม่รู้จักมันก็เลยหลงมันก็ไม่ถูกต้องจนกระทั่งวอล์คคำเขีย น, นยแนะนำาอกว่าอ้าวอย่าจะพ้นทุกข์นี่อย่าไปสนใจเรื่องความคิดนะให้มารู้กายเคลื่อนไหว ให้นอนพลิกมือเล่นเอออันนี้ค่อยค่อยเริ่มต้นจากฐานกายกอนให้นอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวให้ทำเป็นผู้ดูพลิกมือแล้วก็รู้แล้วก็รู้สึกตัวเป็นผู้ดูทนะําทเล่นๆ เ, เลยนะก็ได้หลักเนี่ยหลักของการเป็นผู้ดูนี่แหละในการปฏิบัติในการรู้กายเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆเนี่ย นอนนั่งทานอาหารขับถ่ายปสัสสาวะพับเปลหม่มเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็ใส่เติมความรู้สึกความสึกให้ความสึกนีมันโคจรไปทั่วร่างกายตรงไหนเคลื่อนไหวแล้วก็ให้นรู้สึกรู้สึกสนใจในเรื่องกา ย, ยาเดี๋ยวไม่สนใจในความคิดเพราะว่าความคิดทำให้เราต้องหลงความคิดทำให้เราหลงเป็นมือที่สามล้วก็มารู้กายไปเรื่อยมันก็จะจิตมันเลยมีฐานที่ดี พอมีฐานที่ดีตั้งมั่นมีน้าหนักแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นกลายเป็นผู้ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเบาจิดจะเบาหน่อยคือเบาไม่ใช่ว่าเบาไม่มีน้ำหนักคือเบาแบบความคิดลงแต่งได้น้อยมากความคิดไม่เคยลบกวนการมีสติรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดไม่เคยลบกวนกระทั่งพอรู้ตัวมากๆความหลงลืมตัวมันค่อยๆจะหายไปมันมีปัจจุบันมันก็เห็นรูปเห็นนาม แยกได้ว่าอันน mm. ี้คือความหลงนะหลงลืมตัวนี้ความรู้สึกตัวแยกได้2อย่างใจมันก็จะไหลเทมาทางความรู้สึกเรื่อยๆมันเป็นอัตโนมัติเพราะเราต้องการในความรู้สึกเราไม่ต้องการในความหลงเราไม่ให้ความสำคัญกับความหลงมาให้ความสําคัญกับความรู้สึกจิตมันสําคัญตรงไหนจิตมันจะไหลไปตรงนั้นตัวนี้เคยเข้าใจไหมเราให้ความสําคัญสิ่งไหนใจก็จะไหลไปสิ่งนั้นเห็นไหมเราให้ความสำคัญความสําคัญกับเงิน จิตมันก็จะคิดแต่เรื่องเงินเวลานอนหลับให้ความสงคัญกับลอตเตอรี่ก็คิดแต่เรื่องเลขลอตเตอรี่น <c oughs> <c oughs> ้าเป็นธรรมดาจุ่นละวันนี้ท5สิบห้าเริ่มให้ความสาคัญกับวะไรตอนนี้ถ้าเราให้ความสำคัญความรู้กตัวในใจมันจะไหลหเทมาทาความรู้สึกเลยมันเป็นโดยธรรมชาติอัตโนมัติ เรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้ใจหมกมุ่นอยู่คนเนี้ยเพราะคนนี้มีความสําคัญมากลืมพ่อลืมแม่มันไหลเทแต่คนเนี้ยนั่นเป็นเรื่องธรรมดาให้ความสักความของความรู้สึกตัวไว้จิตมันจะไหลามาอย่าไปสนใจเรื่องความหลง ป, ปล่อยไปบ้างเถอะมันจะไม่มีค่าไม่มีราคาสําหรับเราใจมันจะไหลไปเองโดยธรรมชาติโดยธาตุยางของจิตมันชอบตรงไหนใจก็ไปตรงนั้น เกลียดตรงไหนถ้าเกลียดมากใจก็ไปตรงที่เกลียดเหมือนกันเ <c oughs> ราวังได้อยาให้ความสำคัญเท่านั้นแหะเพราะมันเกิดคือทั้งด้านบวกด้านลบต้องไม่ให้ความสำคัญถ้าบวกมันก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งลบมันก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะ ม, มันมีน้ำหนักมัน <c> ม <oughs> ีน้ำหนักใจเราจะแบ่งแยกได้แล้วอะไรรู้สึกอะไรหลงลืมตัวอะไรไม่มีความรู้สึกตัวเห็นรูปเห็นนาม การเจริญติให้รูปนามเนี่ยมันแนวลงวัาเทียนเนี่ยบอกเลยเลยว่ามันมันชัดเจนกว่ามันมีคะแนนสูงกว่าเพราะมันไม่ได้ผ่านความคิดเนี่ยมันรู้สึกแบบไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเพ ร, เรื่องรูปนามเนี่ยมันจะชัดเจนมากแทบหมดเนื้อหมดตัวเลยแค่เห็รูปนามนะถ้าใครเข้าถึงนี่จริงๆเนี่ยเพราะมันไม่ต้องผ่านความคิดอะไรเนี่ยถ้าไม่ผ่านความคิดจิตที่รู้เฉยๆเนี่ย รูปแบบไม่คิดเนี่ยมันจะไหลเทไปทางไปทางสติทางปัญญาที่เห็นรูปเห็นนามที่มันมันมันปีอยู่แล้วมันอยู่แล้วรูปนามมันจะมีความหมายมากอย่างผมเนี่ยผมเบื่อมากรูปร่างร่างกายผมมองทีไรมันเหมือนซากชีวิตเหมือนกางคกแต่สัปาดูแล้วเม่อไรจะออกจากกายทีทีเนาะมันพิการนอนแบนติดเตียงไแบเนี่ยใครเดินมาไม่รู้ว่าเตียงหรือคนมันอยู่ระดับเดียวกันเลยมันแบนติดเตียง ดูแล้วก็ก็ตรงสุภาษะก็พอได้เราก็อยากจะออกจากสภาพร่างกายอย่นี้จะทํายังไงเนาะเอาจิตออกไม่ได้คิดเอามันก็ไม่ออกยิ่งคิดยิ่งติดพอเรารู้สึกรู้สึกตัวปับ๊บรู้ใฉยๆโดยไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยจิตมันก็ไหลเทไปสู่ความรู้สึกหมดเลยอรูปนามมันก็เลยชัดเจนมันแทบหมดเนื้อหมดตัวเลย มันเกิดภาวะที่ลาออกไปเลยนะลาออกจากความพิการดันตีประกาศศราภาพอย่างนี้ต้องลาออกลาออก <c oughs> <c oughs> เกิดภาวะลาออกจับสิ่งที่เราเข้าไปยึดเกาะและมันอยากจะออกอยู่แล้วพอเจอทางปั๊บมันไม่หันหลังมาเลยนะไม่หันหน้ามาดูเลยนะออกไปเลยโอ้มันประกาศศิภาพความทุกข์ลดไปห้นาสิบเปอร์ซ็นคะแนนสูงนะ การเจอร์นตะินหลวงพ่อเทียเนยเห็นรูปน้ำแล้คะแนนสูงมากไม่ใช่ว่าสักตัวว่าธรรมดามันสูงมันจึงมีคุณภาพมากเห็นรูปนามชัดเจนต้องรู้กายที่เคลื่อนไหวจะรูปนามนี่ชัดเจนมากได้คะแนนสูงเนี่ยสมัยนี้เขาเรียกแอคเครดิตได้เครดิต ด, ดีอันเนี้ยพอออกมาตรงนี้ได้ปั๊บจิตมันก็สบายแล้วมันไม่ไปพวงอะไรกับร่างกายแล้ว สามารถทิ้งไทิ้งไปเลยไม่สําคัญเลยไม่มีความหมายการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไปกังวลกับร่างกายมากเนี่ยมันไม่ค่อยพัฒนาล่ะมันวุ่นวายแต่เรื่องกายจะกินจะอยู่เนี่ยพอถึงฉันมือเดียวสบายพอถึงเวลาฉันมือเดียวจบเลยไม่ต้องกังวลเรื่องการฉันเพื่อร่างกายละแต่เรามันต้องเกิดเวลาถึงเวลากินเนี่ยเวลา กินเนี่ยมันมันกังวลมากแม้มันสิบเอดโมมันจะถึงเวลาหรือยังรอเวลาสิบเอ็ดโมงรอเวลาเที่ยงรอเวลาอาหารแต่พลาดนี่บางทีโอ้หัวมือมือเพยนี่มันกังวลเนาะทิงเลยเอามื้อเช้ามื้อเดียวแล้วก็จบไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร <c oughs> มันตัดความกังวลไปเรื่องอย่างหนึ่งนั่นอย่าไปกังวลกับร่างกายเกินไปดูแลก็าพอสมควรมันจะแก่มันจะเฉี่ยวมันจะอ้วนจะผอม จะไม่เด้งไม่ตึงมันช่างหัวมันเธอเราอย่าไปดูกระจกก็แล้วกันดูกระจกที่ไหลเราก็เจอความจริงของกายเราถ้าไม่รู้ไม่ชี้หน้เราก็ไม่รู้ว่าเราหน้าตาเป็นยังไงแก่ขนาดไหนแล้วบอกนี่เธอทําไมแก่จังแล้วก็ชี้หน้าเราเราไม่แก่เลยไม่รู้เราไม่เคยรู้ว่าเราแก่ตรงไหนนียมันลืมนะลืมร่างกายนี่มันแก่นะนัะ่เคล็ดลับอย่าดูกระจกถ้าดูกระจกเหมาแล้วก็โอ้เราทําไมถึงขนาดนี้เนาะ เราไม่ดูวะเจอกระจกเลยกลัวกระจกไ่อาเดี๋ยวเจอความชิดใจมันลืมไปเลยมันไม่หมกบุ่นกับกายในความแก่ความย่นตก็เรื่องของเขาอย่าไปสนใจเราจะจิตเราจะเบาขึ้นลดความกังวลเรื่องกายในมันกังวลมากสังข้าอย่างขํามกายมันไม่กังวลแต่ใจเราไปกังวลกับกายไปคิดแทนกายหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกวันนี้เราคิดแทนกายหมดเลยกายมันตั้งที่กายมันอย่างนั้นเนี่ย แต่เราไม่พอใจมันไปเปลี่ยนไปดัดแปลงมันไปเติมไปเสริมอะไรต่างโอ้ไปคิดแทนกายกายมันไม่ชอบแค่เอาอะไรไปคล้องมันก็ไม่ชอบแล้วมันลาคาญมันแต่ใจว่ามันสวยดิมเทพดิเราไปทรมานกายทรมานตัวเองยิงคล้องของที่มันแพงๆอโอ้เอางูมาลัดคอมไม่มีซะมันก็สบายไม่มีสิ่งไหนสิ่งนั้นไม่หายจากตัวเราหรอก ถ้าใครมีมานี่นะมัน ม, มีประโยชน์นะนั้นอย่าไปให้ความสําคัญมันมากนั้นจิตเราจะไม่ค่อยพัฒนาถ้าทิ้งกายไปสั บ, บ้างดูแลพอสมควรแล้วก็จิตจะพัฒนาได้ไวอันนี้เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับที่สามารถทําให้จิตมันจเจริญง่ายเนี่ยพอเห็นรูกเหนน็นนาแล้วไม่ยากแล้วเพราะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าอะไรผ่านมาก็เห็นนั้งนั้นน่ะกระทั่งความคิดเห็นการเกิดดับโดยที่ไม่ต้องไปคอยตามดูอะไรมาเลยมันมาให้ดู มาให้ดูผมเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยเชิญท่านไปที่ชมรมเพื่อคุณทําเลยเนี่ยผมมาให้เราดูเองเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวอาจารย์ก็มาเนี่ยคุณคุ้นหน้าทั้งนั้นะเนี่ ย, คคนนะ เ, ย, เ, ยเคยเหมือนยังเคยเห็นหน้าที่ไหนหลายค น, นยรู้จักกันหลายคนมาทักทายก็ขอไปบางทีเราเราลืมแล้วอายุมากก็ อ, อ้างได้ ที่ต้องคุยกันก่อนอนึกได้แล้วคนนี้เคยเคยไปแล้วชื่ออะไรนึกได้ต้องคุยกันซะก่อนถ้าไม่คุยเราบอกจำได้ไหมได้ได้คุยไปก่อนเดี๋ยวก็เผอให้มาอ๋อจำเราก็จำได้เราก็บอกเนี่ยวนนี้เราก็บอกเลยเขาเป็นใครเป็นใครโอ้จานทำไมจําแอนเรารู้ข้างไหนแล้วว่าตอนแรกเราจําไม่ได้แต่คิดว่าเราต้องจําได้ให้เขาคุยมาก่อนถ้าเขาไม่คุยเลยเนี่ยเราก็จําอะไรไม่ได้เนี่ยเราเป็นอาชีพหมอดู ไอ้ก็คุยมา ก, กันแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราเคยเจอกันที่ไหนเราก็นึกได้เพราะนั้นเนี่ยฐานต้องดีๆแล้วมันจะเห็นอารมณ์เห็นกระทั่งรูปนามเห็นความไม่เที่ยงของรูปนามเห็นความคิดแล้วมันจะรู้ทันวิปัสสนูซะด้วยนะมันจะไม่หลงให็นรูปนามจะเกิดวิปัสสนูหลวงพ่อเทียนบอกไว้ตระวังให้ดีวิปัสสนูคือหลงในความคิดหลงในความรู้ ถ้ากลับมาฐานกายแก้ปัญหาได้ทุกอารมณ์สติรู้กายเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ทั้งนั้นแหละนความง่วงความซึมความคิดความเบื่ออยู่กับกายเนี่ยมันไม่เบื่อไม่แดงมันเรื่องของอารมณ์ความคิดทต่งั้นแหละเนี่ยมันก็เลยได้ประสบการณ์แบบเนี้ยซึ่งวัฒนอํานายนี่ผมไม่เคยมานี่คือมาเป็นครั้งแรกเนี่ยมายที่นี่เป็นครั้งแรกนคุณเอเนี่ยพามาไม่เคยเข้ามา เราอาจจะบุญยังไม่พอเนี่ยวันนี้ก็พอจะมีบุญอยู่บ้างมีคนก็เชิญสนสาจะมากเข้ามาได้โอสนามในนี่มันกว้างใหญ่เกินที่เราจะคิดคาาติเคยอ่านแต่หนังสือเห็นรูปภาพเ็นศาลามีพระพุทธ ร, รูปแล้วก็มีพระกำลังกวนได้เห็นสภาพนั้นก็เป็นจินตนาการซึ่งไม่ใช่ของจริงตอนนี้เราก็มาบรรลุแล้บรรลุถึงวัดสนามใน ในวันที่สิบห้ากันยายนผมมอเตียนไปตลอเมื่อวานนี่ตั้งวัานรา้าพผ้าไปเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยมันซึ่งแล้วอ๋อเราโอ้นี่เราผมมาสนะิบห้าไม่สนะิบสี่สิบสามเนาะสิสามเรามาไม่ทันนั่นบนรรลุถึงวัดสนามนายแล้วในวันนี้เพราะนั้นญาติธรรม ฝึกทำความรู้ตัวเอาไว้ถ้าใครนำเอาความรู้ตัวมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยความเหงาจะไม่มีนะมีไหมใครชอบใครเป็นคนขี้เหงาความเหงาไม่มีนะใครมีความรู้ตัวในยอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขแล้วมักจะชอบอยู่คนเดียวมันมีความสุขกว่า ไม่รู้จักคําว่าเหงานะถ้าเรามีความรู้สึกตัวเอาการทําความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตนอกจากชีวิตจะปลอดภัยแล้วยังมีความสุขด้วยมันมีปัจจุบันมีเครื่องอยู่มายาว่าคิดให้รู้สึกตัวก็อยู่คนเดียวก็ทําอะไรคนเดียวก็เพลินไปไม่มีใครมารบกวนอย่ทํามาบอกว่าอาจารย์อยู่คนเดียวไม่เหงาเลยโอ้คนเดียวไม่เหงาเลยมีความสุขแต่อยู่หลายคนอาจจะเหงาก็ได้ <c oughs> ผมเหงาเพราอยู่หลายคนคนเดียวไม่เหงามีความสุกดิทำไรก็เราอิสระมากไม่เหงามีความสุ ข, นส ค, สขคนที่มีวัยอายุมากแล้วเป็นผู้สูงวัยเรามีโอกาสอยู่คนเดียวได้ง่ายผมมองหนะ้าใครไม่ใช่ไม่ถึงคนนั้นสูงวัยนะมามันก็ต้องมองกันบ้าง ผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะมีญาติมีลูกมีหลานอาจจะให้เราอยู่คนเดียวถ้าเรามีเครื่องอยู่ในการฝึกสติอย่างเงี้ยท้ตัวเนี่ยกัดทำชิ้นในประจําวันอย่างนี้หละมันมีความสุขกับการอยู่คนเดียวลูกจะมาเลยมาก็เรื่องของลูกใครจะมาเยี่ยมมาหาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครมาเยี่ยมลูกมาหาก็เรื่องของลูกลูกไม่มาก็เรื่องของลูกเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของลูกเขาเขามาแล้วไม่เอาเงินมาให้เอาซื้อของมาฝากก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ถ้าเราโกรธเข้าเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาแสดงว่าเราขาดความรู้สึกตัวเป็นเรื่องของเรานั้นเราจะอิสระเลยนะนมีสุนัขมีแมวเลี้ยงดูมีความสุขกับคนนี้คนไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเลี้ยงหมาเป็นลูกเดี๋ยวนี้สมัยนี้เลี้ยงหมาเป็นลูกดีกว่าเลี้ยงลูกเป็นหมาหน่อยเจ้าไล่กัดก็ เรื่องหมาไป็ู้นี่ยเดีนะลูกอย่างนั้นลูกนี่โอ้ในลูกเป็นหมานั่งไปไปบุฟเฟ่รากีนเ่าเองไปเที่ยวทะลอกเขาเนี่ยไม่เหงาผู้สูงวัยเตรียมตัวเอาไว้ใครคิดว่าจะไม่สูงวัยบ้างตอนนี้ก็สูงนะเริ่มเลยนะพอเกิดมาก็เริ่มแก่มาแล้วหนึ่งวันสองวันนะคุณไปเท่าไหร่3าโอ้วันเท่าไหร่ ยี่สิบมยี่บสามนี่คือเริ่มแนละ้วแก่มายี่บสามปีแล้ววัยยะแปลว่าความเสื่อมเสื่อมไปแล้วยี่บสามปีวัยยะแปลว่าความเสื่อมทุกคนมีความเสื่อมเมื่อยังเมื่อมีวัยแม้หนึ่งขวบก็เสื่อมไปแล้วหนึ่งขวบเสื่อมไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะถามไม่ไม่ต้องการคําตอบดูหน้าเขาก็ทายได้ ไว้มันเสื่อมไปแล้วไอ้ที่เหลือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นส่วนกําไรเวลาที่เหลือข้างหน้าเป็นเวลาที่กําไรที่ยังยังความเสื่อมยังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเจอแน่เพราะว่าที่ไวเป็นวัยที่เสื่อมก็ต้องก็เรียกว่าชะลาแก่ชะลาเราต้องมีเรื่องความรู้สึกตัวไว้เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจคือความรู้สึกตัว แล้วยิ่งเวลาป่วยไข้เนี่ยอีตอนที่เราอายุมากเนี่ยเรายังเดินบนบ้านได้ลงได้ถุนบ้านได้แต่เวลาป่วยไข้เนี่ยบางทีมันถูกจากัดอยู่บนเตียงนะนี่ตรงนี้ลงจากเตียงก็ไม่ได้ด้วยมันติดสายยางติดอะไรต่างเราจะสามารถมีความสุขกับการอยู่บนเตียงเฉยๆไปไหนไม่ได้ได้ไหมเราพูดได้เพราะเราอยู่มาถ้าใครไม่ยกลงเราก็ไม่ลงเหมือนกันแล้วก็นั่งนอน มีความสุขอยู่บนเตียงแต่ขายใหญ่ยกออกมายกลงรถแ ล, ล้วก็รอรออยู่บนเตียงก็มีความสุขบนเตียงเนี่ยในช่ว ง, งสั้นๆเนี่ยเเมื่อก่อนนอนแค่เตียงสามฟุตครึ่งนี่พัฒนานอย4ฟุตเลยเนี่ย4ฟุตมันกว้างเกินไปแต่ลเตียง4ฟุตอแล้วก็มีความสุขอยู่บนเตียงเมีความสุขโดยการเอาการเจริญเสพเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเรื่องทําอะไรให้มันมีความรู้สึกตัวไว้ เนี่ยต่อไปรู้สึกบ่อยๆต่อไปไม่ต้องหาเรื่องมันก็รู้สึกได้เองได้โดยธรรมชาติเนี่ยจับนุนบน่นจอยนีน่สนุกอยู่บนเตียอาจารย์ไม่เบื่อแล้วเนี่ยดีสนุกดีมันเบื่อตอนคุณมานี่แหละผมอยู่ผมผมดีอยู่แล้วไม่เบื่อเพราะคุณมาถ้าผมเบื่อมันสนุกนะมันมีความสุขเนี่ยอันเนี้คนที่ป่วยใข้ไปไหนไม่ได้ ยามต้องอยู่บนเตียงมันก็มีความสุขกับบนเตียงบนที่นอนได้ต้องมีตัวเนี้เป็นเครื่องอยู่ในการใช้ชีวิตแล้วยิ่งเวลาปล่วยกระทั่งมีทุกขเวทนารุนแรงเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกสติเอาไว้ให้ใจมันเข้มแข็งเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเวลาเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไหลไปสู่เวทนากลายเป็นเราทุกข์เรากลุ่มไปเลยไปไหนไม่ได้ก็พอสมควรอยู่แล้วยังมีทุกขเวทนาเบียดเบียน หาความสุขกับตัวเองไม่ได้นั้นเตรียมฝึกตัวนี้เอาไว้ไม่ใช่ว่าทุกเวทนาจะไม่เกิดมันย่อมเกิดหนักบ้างเบาบ้างมันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเสมอถ้ายิ่งจิตใจเราเครียดเราทุกเวทนาจะรุนแรงทั้งเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตถ้าใจเราปกติมีความรู้ตัวเนี่ยมันแค่เวทนาทางกาย จิตไม่มีเวทนาก็สบายกว่าเพราะความสุขความทุกข์ความสบายอยู่ที่จิตใช่ไหมไม่ใช่ที่ร่างกายนั่นสำคัญนะเนี่ยมันย่อมมีทุกขเวทนาถึงเวลานั้นเราจะผ่านอารมณ์ของทุกขเวทนาอย่างนี้ได้ไหมฝึกเอาไว้ให้จิตมันเป็นเครื่องอยู่ตอนนี้ยังมีโอกาสเนี่ยเราพูดได้กับคนที่มีโอกาสแต่คนที่หมดโอกาสแล้วนอน ร้ อ, อดโอยเนี่ยมันหมดโอกาสที่จะบอกออวิทยาศาสตร์เวทนาไม่ใช่สัตบุคคลเราคนเราเขามันไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อตาลายแล้วตอนนี้บอกได้ถ้าเราฝึกไว้ตอนนี้นะแล้วดูถึงตอนทุกเวทนาตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะบอกโอ้อนี่เองมันไม่ใช่สัตบุคคลตัว ต, วตวเราเขาเวทนานิจจาเวทนาหน้าตาตามคําสวดได้สบายมากเลย ความทุกข์จะน้อยลงไปทุกข์เฉพาะร่างกายแต่ไม่ทําให้จิตใจนี่วั่นวายได้แล้วเวลาเรานั่งเรายกมือสร้างจาังหวะเดินโย ก, กมันปวดเมื่อยก็อดทนหน่อยโอ้ยทุกข์แค่นี้มันเรื่องเล็กสร้างภูมิกุ้มกันเรื่องความทุกข์เอาไว้เจอทุกข์ใหญ่กว่า น, นี้เราจะได้สามารถที่จะเผชิญหน้ากับมันได้สิ่งที่ต้องทำด้วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยเราได้และยิ่งเวลาตายนะ โอ้ถ้าใครฝึกจิติญญาณไปนะสตินี่ส่งวิญญาณเลยนะทําที่ส่งวิญญาณเลยนะเนี่ยมีสติไม่หลงตายก่อนเวลาสี่ถึงห้านาทีหลวงพ่อเทียนบอกว่าทำแล้วตอนนี้ไม่เห็นผลถึงเวลานั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองเชื่อหลวงพ่อเทียนไหมเชื่อนะเดี๋ยวถึงเวลานั้นคอยดูนะอีกก่อนจะตายสี่้านาทีมาหลวงพ่อเทียนบอกจริงหรือเปล่านะเอาก่อนนอนนี่แหละ คนที่จิตกําลังจะหลับกับจิตลงจะตายเนี่ยมาคล้ายๆกันก่อนนอนรู้สึกตัวหรือเปล่า 4- 5้านาทีเดี๋ยวมันก็หลับปุ๊บสบายสติเนี่ยส่งช่วยส่งจิตวิญญาณได้ดีนักสู่สุขคติเลยคำว่าติมันก็ไปติเหมือนกันสติส่งสู่สุขคติสบายเลยก็ไป ม, มีความต่อไปข้างหน้าเกิดใหม่ก็เกิดดี ถ้าไม่เกิดมันก็ยังดีนะดีอย่างนั้นอ่ะถ้ามีสติเป็นผู้ส่งดวงวิญญาแล้วก็นี่การฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยนะฝึกเรื่อยๆเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็มีความหมายเมื่อตายก็มีความหวังอยู่มีความหมายคืออยู่แบบสร้างสมบุญกุศลสร้างคุณค่ากับตัวเองมีความหมายกับเรามากสิ่งนี้ถึงมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีความหมาย แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวหรือเรามีธรรมะมีกุศลหล่อเลี้ยงในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีความหมายมากกว่ามันจะเป็นความสุขที่ไม่ต้องเดือดร้อนกับสิ่งข้างนอกไม่ต้องรักษาอะไรเวลาตายก็มีความหวังหวังว่าปิดอบัยภูมิได้พอสู่สุคติแล้วดีทั้งโลกนี้โลกหน้ามีกี่โลกก็ดีทุกโลกแหละถ้าใครไม่ฝึกสตินี่ระวังนะจะไปเกิดในซีเรียนะ เปิดศาสนาไหนมาเกิดในซีเรียเลยสติพาหลงทางไปซีเรียเลยแล้วก็ววต้องไปกินกับสารเคมีอาวุธเคมีแะมันดีมันไม่ยากหรอกลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนตัวจริงจะต้องฝึกทําความรู้สึกตัวให้เป็นไหน ใ, หใครลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนตัวจริง เรามาวันนี้แล้วไม่จริงไม่ได้มนันยกค่อยจยกคอยยังไงเคยเหนเพกตัวจริงไหมเรารู้จักแล้วนี่เราลรูกศิษย์หลวงพ่อเทียนตัวจริงต้องแสดงตัวว่าต้องทำความรู้ตัวให้เป็นทาให้เป็นจะเข้าถึงความรู้ตัวที่หลวงพ่อเทียนสอนเราได้เข้าถึงจิตหลวงพ่อเทียนได้ด้วยเราศิษย์หลวงพ่อเทียนตัวจริงเนี่ยเราเริ่มฝึกตัวนี้นะ เรามีโอกาสที่จะรู้เห็นธรรมะได้คารวะเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้คารวะเนี่ยสามารถที่จะรู้เห็นธรรมะได้ไม่แพ้พระกุณเจ้าเหมือนกันหลวงพ่อเทียนรู้เห็นธรรมะตอนเป็นคารวะหรือเป็นพร ะ, ร เ, ะเราก็มีติดแล้วท่านสอนสอนโยมที่บ้านบุหม่ม ให้บรรลุธรรู้แจ้งธรรมะ ต, ต้องหลายคนนั่นคือคราวาดทั้งนั้นนะเราก็มีติดเรามีติดตั้งนั่นนะแหละเดี๋ยวนี้นะฆลาวาดมาแรงนะจะว่าไปแล้วเนี่ยคาวาดมาแรงนะเอาไม่อยู่นะโอบางคนนี่ปฏิบัติแล้วอู้น่าสนใจมากมาแรงว่าคลาวาสเนี่ยมีความทุกข์มากมีเหตุกระทบอะไรมากมาย เจ่ภาษาที่ไม่ดีเยอะแต่คาสวา์ที่ฝึกจิตนะคลอดไม่ฝึกเนี่ยก็มันก็กมาแลงเหมือนกันแรงไปทางนรกเ <c oughs> อางี้มาแรงไปทางสุขติมาแลงเพราะนั้นเราอย่าให้เป็นคนลาสมัยคาสว์ก็มีสิทธิที่รู้แจ้งเห็นทำได้แบบหลวงพ่อเทียนเป็นตัวอย่างเนะี่ยเพราะนั้นก็ ใครก็ตามที่ยังชีวิตยังหาความสุขไม่ได้ยังมีความทุกข์อยู่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองเอาท่าความรู้กตัวเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้ก็ใช้อยู่แล้วแต่อาจจะไม่มากเพียงพอแล้วยังมองสิ่งอื่นสําคัญกว่าตัวนี้อย่าลืมว่าเรื่องดับทุกข์เนี่ยเราสําคัญกว่าสิ่งอื่นนะดับทุกข์ต้เริ่มด้วยความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันนี่แหละเอาไปกับการทํางาน ทำอะไรก็รู้สึกตัวนะการใช้ชีวิตรู้ตัวสติเนี่ยจำปรารถนาในทุกสถานในการทุกเมื่ อ, อย้ายผ้าไปแล้วหลับแล้วหลับไปก็ปล่อยไปตื่นมาเรารู้สึกทันทีเลยตั้งใจคําว่าตั้งใจเนี่ยสติมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติตั้งใจเราตั้งใจทําอะไรสติจะเกิดขึ้นโดยอตโนมัติและพาสมาธิมาสนับสนุนทําให้ จ, จิตมีน้ําหนักในการงานที่เราตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งใจ เอามาใช้นี่เพื่อจําวันซะมันจะสามารถแก้ปัญหาได้มันเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเกิดปัญหาอะไรนึกอะไรไม่ออกนึกถึงความรู้ึกตัวสิมันก็จะหมดปัญหาเนะีมันเป็นการบริหารจิตที่ดีเจริญสติเนี่ยมันทําไม่ยากเนะี่ยมาดูผมนี่เนะี่ยผมเคลื่อนไหวได้น้อยนอนพิกมือรู้สึกนี่มันก็มีความสุขได้เนะ นอนพลิกมือรู้สึกตัวมันก็มีความสุขได้นั่นการเจริญสีไม่ยากใครบอกยากมันไม่ใช่ไม่ยากไอ้ที่มันยากเนี่ยเพราะว่าเราต้องการอยากจะได้ผลต่างหากใช่ไหมการเจริญสีนี่ไม่ยากนะมันยากเพราะอยากจะได้ผลมันยากตรงนั้นซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นการเจริญสีนี่มันได้แล้วมันได้ผลแล้วอันไหนลองดูซิอ่ะไหนลองนี่อ่ะลองทาตามที่ผมบอกนะแล้วจะดูว่ามัน อะไรมันยากอะไรมันง่ายต่างถ้าคุณไหนไม่เคยทําไม่เป็นไรนะลองขยับขยับดูที่เปลือมันจะง่ายมา้งพลิกมือขวารู้สึกดูไหมยกมือรู้สึกรู้ไหมเอามือเข้ารู้สึกรู้ไหมพลิกมือซ้ายรู้สึกยกมือขึ้นรู้สิเอามือเข้ามารู้สึก เลื่อนมือขวาที่หน้าอกรู้ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> เอามือขวามาด้านข้างลดมือขวาลงมาตะแคงความมือรู้สึกรู้ไหมเอามือซ้ายขึ้นมารู้สิเอามือซ้ายออกไปรู้ลดลงมาที่ขารูไหมความมืออ่เดี๋ยวจะเดินจูง ก, กลมให้ดู <laughs> และมันยากตรงไหนอะบอกมันไม่ยากไนดะ้เลยมันง่ายจะตายไปใช่ไหมเขาเรียกมันได้แล้วมันเป็นผลแล้วพลิกมือรู้สึกมันได้ผลแล้วเราต้องการทำความรู้สึกตัวไงพลิกมือรู้สึกมันก็ได้ผลเรียบร้อยแล้วไหนใครยังไม่ได้ผลบ้างเราต้องการทำอะไรพลิกมือรู้สึกต้องการจริตรสติพลิกมือรู้สึกมันก็มีสติแล้วมันได้ผลแล้วส่วนจะได้ความพ้นทุกความสบายนิพพานนั้น อันนั้นคือพรอยได้พ้อยได้คือแบบผลพลอยไ ด, ยได้มันจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราได้ผลแล้วแล้วเราจะไปเอาอะไระเห็นไหมมันยากตรงไหนยากตรงที่อยากได้ผลตัดความอยากได้ผลออกซะมันก็จบลงที่ความรู้สึกนะี่แหละจบลงที่ความรู้สึกตัวทตนเองแต่รู้ว่าจะได้อะไรนั้นอันนั้นมันไม่จบนะ ได้เท่านี้ก็ไม่พอจะต้องเอาเท่านั้นการงานทุกอย่างที่มันยากเย็นเข็นใจเพราะว่าเราดูผลมันกลัวจะไม่เสร็จกลัวจะไม่ดีกลัวจะไม่เหนือเขากลัวจะไม่ได้สีขั้นตําแหน่งราชการมันได้ผลเรียบร้อยแนละ้วนั่นไม่ยากการทําความรู้ตัวนี่มันไม่ยากเลยเนีเอาละก่อนจะจบนี่ก็อยากจะถามคำถามสุดท้ายว่าวันนี้ เรารู้สึกตัวเป็นหรื อ, อยัง